ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปพิญญากำลังนำเสนอเรื่องนิโรธสัตว์ือความจริงคือความดับทุกข์ที่ทรงแสดงในรูปของสัจจิกาตประธรรมคือธรรมะที่เป็นเป้าหมายเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดที่เราจะต้องดำเนินไปสู่ทรงนั้นให้ได้ เราแปลว่าเป็นธรรมะที่ควรทำให้แจ้งเป็นฝั่งยากกันนะฮะแกไว้ความมาเป็นอุดมคติเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เราจะดำเนินไปแต่ก็พยายามพูดในเส้นทางที่ลดหลั่นลงมาเพราะว่าระดับอุปมการเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคนจะไปถึงได้น้อยแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราควรี่อยู่ในเส้นทาง ที่จะเข้าถึงอุดมการณ์เหล่านั้นวันก่อนได้พูดมาถึงสอ ง, สองนิโรธนะฮะคือตทังกันนิโรธกับวิคัมพนนิโรธวิคัมพนนิโรธนั้นเป็นการดับกิเลสระดับชาดหมายความว่าตราบใดชาดยังมีอยู่องค์ชาดแต่ละข้อเนี่ยยังมีอยู่มันก็ดับกิเลสได้ไปเรื่อยๆแล้วกลับดับลึกไปโดยลําดับนะฮะเพราะงั้นพอมาถึง ฌานข้อที่สี่คือจตุทะฌานเนี่ยยังเหลือตัวเบคากับเอกะกัตาหมายความว่าดับโมหะกับดับกามฉันทะได้ลึกนะฮะดับดับลงไปได้ลึกมากแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกไว้ว่าเสื่อมได้พอดีก่อนจะจบวันก่อนเนี่ยมันลึกขึ้นมาได้ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยได้ควางเทศ นี่พระท่านเทศแต่ท่านเทศอ่านกันเทศนะฮะเดี๋ยวจะโทษท่านไม่ได้หรอกท่านก็อ่านเดี๋ยวเขาเขียนมาก็ทําให้นึกว่าเอกันเทศเนี่ยที่จริงมันน่าจะตั้งกรรมการส่วนชำระนะปล่อยเสรีภาพกันเกินไปนะฮะถือว่าพระเขียนแล้วถูกหมดเนี่ยมันคงไม่ได้อะนะฮคือมีการพูดตอนพระพุทธเจ้านิพัทธ์อัตสรุ หรถ้าเราไปศึกษาในหลักฐานจริงๆว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเลิกบําเพ็ญทุ ก, กรกริยาแล้วก็รับเข้ามาทุกปลายญาตินางสุชาดาแล้วก็ตรัสรู้ในวันนั้นเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะนะคือมันยาวเราต้องอย่าลืมว่าทรงทรมานพระวรากายมาเกือบจะสิน้นประชนน่ยนะถ้าไม่มีบารมีปกแผ่ไว้มันก็สิน้นประชนไปแล้วถ้าคนอื่นนะตายนานแล้ว เพราะการที่สเสวยพระกยาหาไม่มีเรี่ยวแรงมีพระวรากายสวยงามจนนางโสชดาเนืน่ว่าเทวดาออกมาจากต้นใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องวันของวันเราคนพร้อมจะแย่อยู่นะจะมาปุ๊บปับรวดเดียวเหมือนกับเทวดาได้ยังไงมันก็ต้องผ่านเวลาทีนี้เมื่อผ่านเวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เริ่มคิดอะเริ่มคิดทบทวนสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่ส่งประพฤติปฏิบัติมา และรเราเห็นว่ามันมีลักษณะของการตัดต่อประยุกต์นะฮะประยุกติจดีทางวิชาการที่ทรงเคยผ่านมาแล้วทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นว่าตั้งแต่ทรงประเยอามาเลยตอนแนวตรงนั้นก่อนที่จะขึ้นไปประทับนั่งบนต้นอัสัตตพรึกนะฮะจริงเรียกจริงจก็เรียกอัสัตตพรึกแต่ว่าในการออกมาเราเรียกว่าโพธิพึกนะฮะหรือโพธิมลทนมันเรียกทีหลังแต่สมัยนั้นเรียกอสัตตพรึก รงได้ทบทวนานาปาณสติแล้วมาเข้าที่สมาธินะฮะเข้าสมาธิมาจนถึงฌานนะฮะมาถึงปฐมฌ า, านและเนื่องจากผู้นี้ทรงจำนิชนานมาในสำนักของอลาดาบทตกลาลมาโคตอุตกระดาบทก็เข้าฌานได้คล่องทั้งแปดนะสมาบัตแปดนีครับได้คล่องแต่ทรงก็เห็นว่ามันต้องไปแยกที่จตุทฌ า, านพอตะเข้า อรูปฌานแล้วก็เลสนะฮะมันมันไม่เห็นอะไรเลยยิ่งดึกยิ่งไม่เห็นอะไรพิจนาเข้าสู่ใจรักได้ยากเพระพระเจ้าก็แหวกเข้าไปที่จตุทิฌานก่อนที่จะเสด็จขึ้นไปประทับนั่งบนร้นโพเนี่ยได้สมาบัติแปดแล้วเพราะันจึงมั่นพระไทยนะฮะว่าต่อไปเนี่ยคือจัดสรู้แน่ ถ้าไม่จัดรู้ก็ยอมตายนะไม่ยอมลุกขึ้นเป็นการประทับนั่งแบบเขาเรียกว่าจะตรวงกะมาประทานคือความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สี่ประการแม่เลือดเนื้อในกายพอเราจะเคื่อแท่งไปยังเหลือแต่นังเอ็นกระดูกก็ตามนะฮะถ้าไม่ถ้าไม่บรรลุคุณพิเศษแล้วจะไม่ลุกขึ้นจากอาสนะ ต, ตรงนั้นหลงตนก็บรรพินรเพียรแล้รับสังเล่านะฮะจริงๆรับสั่งเล่าไปเยอะ เหล่านั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้และความรู้ก็เกิดผุดขึ้นภายในใจของเราประสงแสดงในลักษณะอย่างนี้นทีนี้ในการเทศเนี่ยท่านไปนพูดเลยต้องเอามาอ่านรู้เถอะเป็นสมยท่านเรียงสมยัยเป็นราชาคณะสามัญ น, นะนะ จะไม่น่าจะเอาวันทบทวนเนี่ยคือ ท, ท่านบอกว่าพยาามมาจากสวรชั้นปรณิมิตวส ว, ว, ว, ว, วัสดีคือว่าวัดสระปรินิมิตวสวัสดีมานเนี่ยได้ส่งลูกสาวคือตหนาราคาราตีมาผชนพระพุทธเจ้าแล้วก็ภายแพ้ตอบพระพุทธเจ้าท่านก็มาเองเลย ขีช้างคีริเมกยาวร้อยห้าสิบโยกคือท่านเอามาปนกันหมดนะฮะหลักฐานเนี่ยมันแทนที่จะเอาหลักฐานระดับบาลีมาพูดเนี่ยท่านก็มาปนกันหมดเพราะพวกก็มดกมัก็กกยุ่งคือภาษาวรรณคดีเนี่ยเขาพูดไปนะะวรนณวรรณคดีเนี่ยวรรณคดีไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นเรื่องกวีเป็นแรงบันดาลใจของกวีเหมือนนิราชนารินทนระ์น่ะเราอ่านเราสะดวกทุกที ราดินพูดถึงพัญญาของท่านนะเนี่มันมันมันสวยหลือเกิดเรานึกไม่ออกว่าจะมีคนในโลกหรืออย่างเงี้ยโฉมควรจากฝากฟ้าหรือดินดีหรือเกรงเทพท้ายธรณินรอบกรมฝากลมเลื่อนโฉมบินบนเล่านาแม่ลมเะเชยให้ช้ำชอกเนื้อเรียมสม่วนเราว่าไปนะคือนี่คือคือคือแสดงเห็นว่ามันเป็นภาษากวีเฉยๆเไม่ติดใจเราจริงไม่จริงอ่ะ อย่าลืมว่าพระยา ม, มารที่มาประจนพระพุทธเจ้าไม่ใช่กิเลสคือท่านไปตีความมาเป็นกิเลสไม่ใช่กิเลสฮะมาเนี่ยเขาแสดงไว้ห้าประเภทด้วยกันพระมานที่มาประจนพระพุทธเจ้าจึงเป็นพวกเทพบุตรมารนะฮะไม่ใช่กิเลสมาทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าสงบกิเลสมานแต่ตั้งแต่มรรลุฌานแล้ววิคัมพะณะนิโรธเนี่ยฮะมันไปดับกิเลสสมานได้ ไม่กิเลสมานทั้งหลายจึงไม่ปรากฏภายในประไทัยของพระองค์ตลอดระยะเวลานะฮะทฤษฎีปญหาการศึกษาที่สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยคือเราต้องมองกาลเทศะนะบุคคลเนี่ยสําคัญที่สุดคือสัพพริสธรรมเลยเราต้องมองให้ครบทั้งเจ็ดข้อเลยเพราะตรงนั้นคืออะไรกาลเทศะเนี่ยมันห่างกันเยอะเลยเพราะนั้นมารที่มาประชวรพระพุทธเจ้านั้นคือเทปุตตมานอย่างเดียวแท้ๆเลย นะขันธมานก็ไม่มีปัญหาเพราะพระองค์แข็งแรงแล้วสเสวยเข้ามาทุกปะยาตมาทั้ง48คำนะฮะแล้วก็อภิสังขารมันคือบุญบาปมันสงบไปจากกิเลสนะครับสงบต่างกิเลสไปแล้วก็มัจจุมานคือความตายก็ไม่ได้คุกคามอะไรพระองค์ทีนี้ อยอะก็ยังเหลือมารอยู่อบานเดียวคือมีขันธมารกิเลสมารพิสังขารมารนะฮะมัจจุมารเทพบุตรมารยังอื่นมัยเน่มี่ยมันมีแต่เทพบุตรมารที่มาระจญพระพุทธเจ้าเนี่ยเพรา ะ, ะเป็นชาวพุทธนี่ต้องเชื่อนะฮะคือถ้าไม่เชื่อแล้วพวกก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันเป็นความรู้ระดับสัพพัญญูเราเป็นใครอ่ะนะฮะเราเป็นใครที่ปฏิเสธได้เฉยๆล่ะ ผู้เจ้าทรงแสดงว่าอย่างไงก็คืออย่างนั้นเนะ่ยรับสังเล่าว่ายัางไงก็คืออย่างนงั้นเนะี่ยคือว่ายัางชอบใจอาจารย์ของดรปีดีเกษมทรัพย์ที่ท่านเคยเล่ากวางดีแล้วก็ติดใจท่านก็คงยันมรณภาพไปแล้วนะฮะอาจารย์ปีดีเกษมทรัพย์เนี่ท่านเรียนที่เยอรมันเดี๋ยวสิบสี่ปีแล้วก็ได้ด็อกเตอร์มาแล้วก็ชอบชี้แจงอธิบายหลักธรรมะแก่พวกฝรั่ง พลังก็สนใจนะฮะชอบสอบสอบถามซักถามท่านกอธิบายแต่ท่านไม่เชื่อเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัฏท่านไม่แน่ใจไม่ถึงก็ไม่เชื่อคือไม่แน่ใจแ้วจะไปเรื่งจริงหรือไม่จริงก็มาสอบถามพระอาจารย์หลวงปู่บ้านนอกเนี่ยฮะว่าสวรรค์นรกมีจริงไหมหลวงปู่ท่านก็บอกว่าเออข้าคิดว่า พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่ามีท่านบอกพระพุเจ้าทรงสแสดงว่ามีข้าคิดว่าพระพุทธเจ้าคงไม่โกหกเรานะตอนนั้นก็พอแล้วนะไปจับประเด็นตรนนี้ให้ได้ทีนี้นางตหาราคาราตีเนี่ยไม่ใช่มาตอนนั้นหรอกมาเมื่อตอนพระพุทธเจ้าจัสรุปแล้วประทับอยู่ที่ต้นไทรชื่ออัจจปาณิโครดในครั้งที่สาม ตนทายที่พระเจ้าได้รับเข้ามัทุปายาจนางสุจดานะฮะมาประทับอีกสองครั้งนะทีหลังเนี่ยในช่วงประทับสวยมุติสุขครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากประทับสวยมุตวิมุติสุขอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คื อ, ค, อคือสิ่งที่เราจะเห็นว่าตนา ร, าราคาลตีก็ไม่ใช่ชื่อกิเลสถ้าเราไปอินเดียนีิชื่อคนเนี่ยเยอะเลยชื่อตันหาชื่อราคีชื่ออรารตีนี่ยอเลยมันเป็นชื่อคนนะฮะ แต่ว่าเราเอามาเรียกเป็นชื่อกิเลสกิเลสเนี่ยมันถูกแต่งตั้งกิเลสมันไม่มีชื่อนะฮะกิเลสเนี่ยไม่มีชื่อเหมือนกัคนเนี่ยไม่มีชื่อก็ตั้งชื่อขึ้นกิเลสเนี่ยเขาเรียกตามอาการมันอาการจิตที่มันดิ้นซัดสายไปเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเนี่ยเขาเรียกมันว่าตันหาจิตมันก็ดิ้นแต่ไม่ต้องการนะฮะไม่ต้องการไม่พอใจไม่ยินดีเนะี่ยเขาเรียกว่าปฏิฆะบ้ า, บางอรารติบ้างนะก็แล้วแต่ ทีนี้ชื่อเนี้มันชื่อเป็นคนได้นะฮะชื่อชื่อคนได้อาจจะชื่อเป็นปกติกของคนก็ได้พระเทวทีดาทั้งสามเนี่ยมาแบบคนมาเลยแล้วก็ภาดพระพุทธเจ้าคนละที่นะตอนนั้นพระพุทธเจ้าสัสรู้มันตั้งเจ็ดสัปดาห์แล้วมาไล่รําด้วยวิธีการต่างๆโยโยนด้วยวิธีการต่างๆนี่ก็ทําอะไรไม่ได้ในการนําเรื่องเหล่านี้มาทบทวนเนี่ยเพื่อจะ บอกกล่าวท่านสาวชนทั้งหลายว่าเราอย่าไปยุ่งกับพระพุทธเจ้าให้มากพระเจ้าทรงแสดงไว้ยังไงเชื่อไวเอ้เถิดไม่มีเสียหายอะไรเลยการเชื่อพระพุทธเจ้ามีคุณโดยส่วนเดียวนะฮะไม่มีโทษแม้แต่เพียงเล็กน้อยเลยการไม่เชื่อถึงจะยุ่งคนระับสมบัติเราเกิดอธิบายธรรมะอะไรแผ่ออกไปสักหน่อย เช่นไปพูดวระสวรรค์ทั้งหกชั้นเนี่ยเคือกรรมคุณทั้งหกเนี่ยยุ่งเลยเนะมันไปกระทบกับที่อื่นยุ่งไปหมดเลยคือธรรมะของพระเจ้าอย่าแตะของท่านเนี่ยท่านแสดงว่ายังไงอย่าไปยุ่งว่าไปอย่างนั้นอธิบายไปตามนั้นเน่ยแล้วจะไม่ขัดกันเลยแต่ถ้าเราไปตีความในที่ใดที่หนึ่งเกิดตีความขึ้นมาเกิดประยุกขึ้นมาที่ชอบใช้คากันอย่างนี้ และในสุดจตีกันม่มวไปหมดเลยธรรมะนี่จะเกิดสับสนเพราะว่าไม่สามารถจะสื่อสารให้เกิดเป็นความเข้าใจขึ้นมาได้เพราะนันทรงแสดงไว้อย่างไงคืออย่างนั้นเพราะนาตนาาคารตินเตนเทพเป็นทิดาของพญามารอยู่ในมาราทีตูสูตรสังยุตตนิกายนะฮะและพญามารที่มาหลอกลวงพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอยู่หลายสูตร เรื่องมารสูตรเรื่องสตาวสสูตรเรื่องอะไรแต่ละเยอะเลยนะเป็นคนละตอนกันนะฮะคนละตอนกันแล้วคนคนละสถานที่คนละกาลละคนละสถานที่คือตอนที่ประจนครั้งแรกนะพระพุทธเจ้ายังไม่ได้จัดสรู้พ่ายแพ้เพราะการจัสรู้คือการตีความอะไรเนี่ยอย่าไปตีความกัพระพุทธเจ้าเราความรู้เราในเหมือนกับ มเมล็ดพันธุ์ผักกาศนะฮะอย่าไปเทียบขอ้อพระสุเมน์ได้ยุ่งที่มันยุ่งยุ่งไงฮะเพื่อเราไปแสดงการอวดดีกับพระพุทธเจ้ามากเกินไปคืออย่าลืมว่าพระคัมภีร์ใจบิดดกเนี่ยมันผ่านการการการองของพระอรหันต์มาพระอรหันต์นำสืบมาห้าร้อยปีนะฮะอย่าลืมบัจจารึกโดยพระอรหันต์มานะเพราะที่จดบัจจารึกเอาไว้มันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่า คนในสมัยโบราณในรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นบรุรพาจารย์เนี่ยเขาถือว่าจะรึกพระอักษรพระธรรมผิดไปนหนึ่งตัวเนี่ยเหมือนฆ่าพระองค์เนื่อเหมือนฆ่าเนรองค์เนื่อบาปมากนะฮะเป็นเรื่องที่ท่านเรามาระวังไว้เป็นอย่างสูงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่แทรกขึ้นมาเพราะว่าเมื่อก่อนเคยคุยกับอาจารย์พุทธนะฮะหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวัตถามประเด็นตรงนี้เหมือนกันท่านก็บอกเลยก็ซักท่าน ท่านเลยก็นิ่งบอกหลวงพ่ออย่าลืมนะท่านได้ได้สมาบัตรแปดแล้วนะทีนี้ถ้าสมาบัตรแปดแล้วกิเลสมาเนังกลุ่มๆุมมันยุ่งเลยทีเนี้ยคำว่าฌานที่สงบนี่บอนมันก็ผิด๋ย่เรื่องมันจะผิดกันไปเป็นแถวเลยแต่ถ้าเราแสดงไปตามที่พระเจ้าทรงว่าไว้เนี่ยมันก็จะได้หลักได้เกีย นิโรธข้อต่อไปเนี่ยเป็นเสเรียสมุทเเจตนิโรธนะฮะเป็นการตัดกิเลสอย่างเด็ดขาดของผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานมาจนเข้าวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็จนถึงมรรคนะฮะจนถึงอริยมรรคทีนี้การตัดกิเลสแบบอริยมรรคเนี่ยคือมันตัดได้ตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไป แต่เราจะต้องมองไปที่อริยมรรคนะฮะว่าการที่เป็นพระโสดาบันได้เนี่ยศีลของท่านต้องสมบูรณ์คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะของท่านเนี่ยต้องสมบูรณ์สมาธิไม่สมบูรณ์หรอพอประมาณปัญญาก็พอประมาณแต่ว่าท่านใช้คำว่าพอประมาณหมดไม่รู้ว่าเวลาเทียบเคียงแล้วเนี่ยเห็นว่าก็ต้องมากกว่ามากกว่าของสามัญชน ท่านก็ตัดกิเลส ด, ด้วยมรรคนะฮะคือคื อ, คอกิเลสมันหมดไปด้วยการเกิดของมรรคคล้ายๆกับ ค, ความมืดมันหายไปเพราะการเกิดของแสงสวา่านงะความร้อนหายไปเพราะการเกิดของความเย็นความหิวหายไปเพราะการเกิดของอาหารใ น, นเนี้ยมันก็เป็นลักษณะอย่างงี้ยเนี่ย เ, เพราะงั้นประเด็นที่น่าจะศึกษาเราประเด็นหลักซะ ก, ก่อนนะะคือปัโสะดาบันเนี้ยเอาเอาจะเอาเฉพาะปัโสะดาบันนะใกล้ตัวหน่อย คือไม่ไกลมากเกินไปประโศดบันในท่านถ้าเรามองย่อสายศรัทธาศรัทธาเขาท่านนั้นเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในประธรรมเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในใจสิกขาถ้ามองด้านปัญญาก็คือเป็นทิฏฐิสัมบรรนะคือมีสิจิที่สมบูรณ์ถ้ามองด้านของใจสิกขา นะคือศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอว่านังกล่าวแต่มองด้านที่ตัดขาดเนี่ยมันไปตัดขาดที่กิเลสคือตัดสังโยชน์ได้สามประการในขาดคือหนึ่งสักยะติติความเห็นเป็นเอกือตัวือตนมีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนเราเป็นกันหน้ากันหน้าเป็นเราเรามีในกันหน้ากันหน้ามีในเราอลไรต่างวาานั้นไปนะแล้วก็ วิจิกิชาคือความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าประธรรมพระสงฆ์ในใจสิกขาในเรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตในกฎของปัจยการแล้วก็ศีลรัปตปรามา ก, การถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติที่ไม่ยุติโ ด, ดยเหตุผลและความดีนะฮะแต่แม้บางอย่างเป็นเรื่องถูกนี่แหละแต่ถ้าเป็นยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเป็นอุปาทานมันเป็นทิฏฐุ ป, ปาทานมันเป็นศีลพัตุ ป, ปาทานมันเป็นอัตวัตุ ป, ปาทาน มันเป็นอุปท า, านอุปท า, านมันก็เกิดกิเลสนะเกิดโลภะเกิดโทสะก็มุ่นวุดไปหมดเลยอาการของเขาเป็นอาการขขาโมหะเพราะฉนั้นประสโซดาบันเนี่ยตั้งละได้แน่นอนเรื่องเหล่านี้เราจะไปเจริญอริยมรรคจนขนาดศีลสมบูรณ์เนี่ยโอ้มันปีนบันไดสวรรค์เลยก็ทำยังไงว่าหัดตัดกิเลสอ่ะอกิเลสในชีวิตประจําวันบางเรื่องเ น, นี่ยตัดให้ขาด ยังลึกถึงศีนหน้านะคราบว่าบ้านเราในมีปัญหาเรื่องศีนหน้าจังผิดเรื่องศีนหน้าทั้งนั้นปัญหาที่เป็นนโยบายหลักภารกิจของรัฐบาลในแต่ประกาศจะต่อสู้กันเนี่ยปัญหาอยาบ้าปัญหายาบ้าเนี่ยคือผิดศีนข้อที่สองก็ผิดศีนข้อที่ห้าผู้ผิดผู้จําหน่ายจะแจกแล้วผิดสินข้อที่ห น, นะ น, นึ่งไม่ใช่ข้อที่สองคนที่เสพสูบเนี่ยก็ผิดศีนข้อที่ห้า ปัญหาเรื่องโรคเอดคนมันผิดศีลข้อที่สามมันสับสอนในทางเพศแล้วก็ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันปัญหาค่าของเถื่อนแต่และอย่างเนี่ยมันผิดศีลข้อที่สองเกลีจินนาทารว่าระทำยังไงวาอย่างปีเนี้ยอย่างสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างน้อยใจอยู่เลยว่า มาไทยเนี่ยน่าจะล่วงหน้าหน่อยประกาศขอร้องเอาจริงเอาจังหน่อยคนไทยนี่ทำไมมันจึงเห็นแก่ตัวเหลือเกินห ย, ยุดหน่อยไม่ได้เหรอหยุดเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าสักพักหนึ่งเนี่ยสักเจ็ดวันหนึ่งไม่ขายเหล้าไม่เปิดบ่อนการพ น, นันไม่สายสิ่งเสพติดทั้งหลายอะไรเนี่ยเอาถาวายพระพุทธเจ้าสะหอยไม่ได้เดี๋ยวนี้คนพูดยากจัง โอกาสวันวิสาขามาฆาสานหะออกพรรษาเนี่ยซึ่งเป็นโอกาสที่น่าจะตั้งใจกระพฤติปฏิบัติในสิ่งดีงามเพราะนั้นมันคล้ายเป็นโอกาสในการต้มในการสแสวงหาประโยชน์เพราะสถานที่เดินงบต่งางๆเนี่ยก็น่าจะหยุดบ้างจะละโมบโลภ ม, มากไปถึงไหนจะเอาอะไรกันนักหนาะเกิดอะไรมาบารณาอะไรไป มันมน่าจะช่วยชี้นำความถูกต้องนะฮะปกป้องพระพุทธศาสนารักษาพระสัทธรรมแล้วก็นำพาชาติบ้านเมืองไปสู่การศึกษาการประพฤติธปฏิบัติการพัฒนาตนโดยหลักของสิทธรรมตีตามว่าคนเนี่ยมันตัดขาดเรื่องอาัาเรื่องเสพก่อนเอาเบาๆก่อนเนี่ย เรืเสพสิ่งเสพติดได้โทษทั้งหลายนี่ตัดขาดไปได้หรืออะไรปนักหนาเชียวมันก็รู้มันเป็นพิษเป็นภัยเนี่ยทําไมจะต้องไปเสพไปสูบไปดืม่มเนในการต่อมาจเจ้ากามีเจ้ามิจจาเนี่ยความซับซ้อนในทางเพศแบบนี้กล้าหน้าไปเยอะนะฮะกล้ำหน้าจะไม่กล้าพูดออกอากาศน่ะที่อาตมารู้เนี่ยนะฮะที่ญาติโยมก็มาเล่าให้ฟังอะไระอะไรเนี่ยคือพระนีนเราก็ดีอย่างเป็นแหล่งข้อมูลข้อมูลเยอะเลย แต่ว่าส่วนมากข้อมูลที่พูดไม่ได้คือออกจากปากพระมันก็กระดา ก, ะะกระดาที่จะพูดเรื่องเหล่านั้นแต่เราก็ปดทกนะครพอเราฟังแล้วเนี่ยเราสึกดทกขเออชาติบันเมืองต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะถ้าเป็นกันอย่างนี้เพราะงั้นลดเว้นเอาข้อที่ 3, สามสอนในทางเพศขนาดสัมสอนนะฮะเอายาบๆาบก่อนตรงนี้ แล้วต่อไปก็คือพวกอัตินาทานเอาสินข้อที่สอ ง, งดเว้นได้เด็ดขาดหลยสินข้อที่สองแล้วค่อยมาว่ามุสาวาตฮะกับปานาติบา ท, ที่หลังแน่นอนถ้าใครรักษาได้หมดทั้งห้าข้อเนี่ยมันก็เป็นความดีเลิศแล้วแหละนะฮะแต่ว่าในกรณีที่พยายามตัดขาดบางข้อเนี่ยเป็นการนำเสนอว่าช่วยกันตัด ตัดสักข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อก็แล้วแต่นะฮะแต่งดเว้นได้ครบทั้งห้าข้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสมบูรณ์พร้อมของบุคคลเหล่านั้นนะครับเรื่องเหล่านี้ถ้าเราทำได้มันก็กลายเป็นนิโรธโดยอนุโลมนะอย่างน้อยเราก็ตัดขาดตัดขาดได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันกลกำเริบได้อีกนะฮะเพราะเราไม่ได้ตัดโดยอะไรมาก แต่ว่าตัดด้วยจิตสํานึกตัดด้วยมโนธรรมตัดด้วยหิริโอัตตปะตัดด้วยอะไรนี่นะะมันก็บรรเทาบาบางลงไปได้ป่ะทุกฟังทลายแต่รมโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทนายโดยทั่วกันสวัสดี